แนะนำบทอันิสรอบทอัอิสรอเป็นบทมัียามี111องค์การที่ได้ประมวลไว้ด้วยเรื่องของอะกิดะเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในบทนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับเรื่องราวของบทมักคียาทั้งหลายที่ได้ความสนใจต่อหลักการของศาสนาโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับความเป็นเอกภาพ ก า, S <S การเผยแพร่ศาสนาอิสลามและการฟื้นคืนชีพแต่ภาพลักษณ์ที่เด่นของบทนี้คือลักษณะของท่านรอซูลฺสุ ล, ลลฺววลลฺฮุอัลลาฮฺยุสสลฺลและปาธิหารต่างๆและหลักฐานที่แสดงถึงความสักจะของท่านรอซูลฺสุลลฺล ล, ลลฺฮฺฮุอัลัาฮฺยุสสลฺล บ, บทนี้ได้กล่าวถึงปาธิหารการเดินทางในเวลากลางคืนของท่นนานอบีและรอซูลคนสุดท้าย และเป็นสั ญ, ญลักษณ์อันชัดแจ้งที่บ่งถึงอนุภาพของอัลลอ์และได้กล่าวถึงวงวานของอิสราเอลและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้พวกเขาต้องระเหเร่ร่อนไปในแผ่นดินถึงสองครั้งทั้งนี้เพราะความดื้อดึงก่อความเสียหายและการฝ่าฝืนของพวกเขาต่อพระบัญชาของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งบทนี้ได้กล่าวถึงสัญญาณต่างๆแห่งจักรวาล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 ในข้อเสนอแนะของพวกเขาโดยเรียกร้องขอสิ่งปฏิหารอื่นจากอัลกุระเช่นขอให้มีแม่น้ำลำธารในนครมักกะมีเรือกสวนร่มรื่นเขียวชอุ่มบทนี้จบลงด้วยการให้ความบริสุทธิ์แด่ลอจากการตั้งพาคีและพระบุตรและลักษณะที่บกพร่องบทนี้มีชื่อว่าบท เพราะสิ่งปฏิหารอันน่าทึ่งคือปฏิหารการเดินทางในเวลากลางคืนซึ่งอัลลอะ์ทรงให้มีขึ้นโดยเฉพาะแก่นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะไลฮุสลัมบิสมิลลอฮิห์มานิรฮมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ حان الْحَرَامِ حَوْلَهُ الذي لَيْلًا الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَدِ بَارَكْنَا آيَاتِنَا مِنَ لِنُرْيَهُ مِنْ إِلَ لَذِي أسرى السَّمِيعُ بِعَبْدِهِ الْبَصِيْطِ هُوَ الب มหาบรุดผู้ทรงนำเบาวของพระองค์เดินทางในเวลากลางคืน จากมสัสยิดอัลฮารอมไป ย, มยังมัสยิดอัลอักซอซึ่งบริเวณรอบมันนั้นเราได้ความจำเริญเพื่อเราจะให้เขาเห็นบางอย่างจากสัญญาณต่างๆของเราแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นวละอ่านให้นามูซ่าลคิตาบว่าจงลนั้นฮุดับลิบันีอิสราอีลอัลลอตัดทั่วถึงมินดูนีวะอีลา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 ا إ และเราได้แจ้งแก่วงวานของอิสราเอลในคำพีว่าพวกเจ้าจะก่อความเสียหายในแผ่นดินสองครั้งและแน่นอนพวกเจ้าจะยะโสโอหังยิง่ง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 และพวกเขาได้บุกเข้าค้นตามบ้านเรือนและมันเป็นสัญญาที่ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วเราได้ให้พวกเจ้ากลับเข้ามามีอำนาจเหนือพวกเขาและเราได้ทำให้พวกเขามีทรัพย์สินและบุตรหลาน อินอัพซาตุามอัพซาตุ م ลีอาฟุศิคุม وإن أساءتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوو جهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبّر ما علم ول تتبّر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 และเราได้ให้นรกเป็นที่คุมขังสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาอินานาัลกุรอานะฮดีลิลีฮีอัวมวยุลมมิน ين ين ال มัลีนยะมลนลิฮตอันลุมอจรนบีรถ้าจริงอัลกุรอานี้จะนำไปสู่ทางที่เที่ยงตรงยิง่งและแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่า สำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ ا أ และแท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่สรัทาตอพระโลกนั้นเราได้เตรียมการลงโทษอันเจ็บแสบไว้สำหรับพวกเขาแล้ววายดนรก และมนุษย์นั้นจะวิงวอขอความชั่วเยี่งการวิวอขอของเขาเพื่อความดีและมนุษย์นั้นเป็นผู้รีบร้อนสมอ。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 และมนุษย์ทุกคนนั้นเราได้ให้การงานของพวกเขาแขวนติดไว้ที่คอของพวกเขาและในวันพราโลกนั้นเราจะาบันทึกออกมาให้เขาพบมันในสภาพที่การแพร่เจ้าจงอ่านบันทึกของเจ้า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 รแล้วเมื่อเราปราถนาที่จะทำลายหมู่บ้านใดเราได้บัญชาให้พวกฟุ่มเฟือยของมันและพวกเขาก็ฝ่าฝืนดังนั้นพระดำรัสการลงโทษสมควรแก่มันแล้วฉะนั้นเราจะได้ทำลายมันให้พินาศ